เราก็ต้องรบกวนเรียก อ, อะไรประชาชนไม่หยุดหยอด่อนไม่มีที่สิ้นสุดเอาวัตถุมงคลภายนอกมาล่อให้ต้องการปวดอภินยหารคุณวิเศษต่างๆของวัตถุนั้นรวมทั้งคุณวิเศษของผู้ทมด้วยซึ่งมินเมต่์อุตริมนุสธรรมเต็มที่ทำไมทำไมไม่เผยแผ่มงคลภายในคือมงคลสามสิบแป เพิ่มพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้ให้เผยแผ่ให้มากย้ำให้มากท่านผู้ฟังที่กระลบครับเวลาหมดแล้วครับแต่พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับถ้าคุยกันใหม่ในเรื่องทํานองนี้สำหรัวันนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึ่งมีแด่ท่านผู้ผู้ทำรายการ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 สิงหาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟัง้างอยู่ก็คือเรื่องศรัทธากับปัญญานะครับก็เน้นที่ปัญญาเมื่อวันนี้ใจพูดมาถึงตอนที่เรื่องการก่อสร้างว่าทำไม เราจริงไม่สร้างสิ่งที่เรียบง่ายลงทุนแต่น้อยคุณวายน้อ ย, ยรบกวนประชาชนน้อยแต่ว่าได้ประโยชน์มากหรือว่าได้ปุญมากอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบ่อยๆว่าที่ใดที่มีพิธีมากมีเรื่องมาก ท่านก็ไม่อยากจะเข้าไปในที่นั้นแต่ว่ายันยันยะสัมปทาหรือบุญใดที่ลงทุนน้อย เ, อเรียบง่ายท่านก็จะเข้าไปในยันยสัมปท า, าหรื อ, อบุญนั้นทีนี้ก็มีผู้เสนอความเห็นว่าศ า, าสนาทนะ ผมก็ออกความเห็นว่าถ้าเป็นาศาสนาบุคคลที่ไร้คุณภาพก็ไม่มีประโยชน์เหมือนมีพลเมืองที่ติดยาเสพติดกันงมแงม แ, แม้จะมีจำนวนมากก็จะมีประโยชน์อะไรต่อบ้านเมืองมีแต่จะเป็นภาระต่อบ้านเมือง เราได้พลเมืองที่มีคุณภาพาแม้จะมีน้อยก็ยังดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนดีแม้จะมีน้อยแล้วก็เอาชนะคนที่ไม่ดีจํานวนมากได้ถ้าเป็นคนดีมีจํานวนน้อยมีกําลังมีความสามารถ ถ้าลองนึกดูบางคนนี่คนเดียวทํางานสามารถจะทํางานได้เท่ากับคนหลายๆคนนั่นก็เพราะว่าเขามีคุณหนักภาพแล้วก็มีความสามารถสูงแต่ถ้าเรามีคนที่มีความสามารถน้อยสิบคนยังสู้คนที่มีความสามารถมากคนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะสร้างคนสร้างคนให้ดีให้มีคุณภาพแล้วก็เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นอยู่อย่างเพลนเลแล้วก็ความสุขมันทั่วถึงมันแผ่ไปทั่วถึงทีนี้ก็ถ้าเราเอ่อมีคนที่มีคุณภาพน้อยเกินไป แล้วก็ศาสนาธรรมที่ประกาศนั่นก็ไม่รู้ถูกหรือผิดเป็นศาสนาธรรมอะไรเป็นศาสนาอะไรเป็นความคิดอะไรแล้วความคิดนั้นมีคุณภาพหรือเปล่ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพทำให้คนสงบระงับหรือเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านจัดว่า อแม่จะพูดสักพันคำพันคำสหัสมปิเจคาตาาแม่จะพูดสักพันคำแต่ว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์คำพูดเพียงคำเดียวหรือบทเดียวบททำเพียงบทเดียวเราฟังแล้วทําให้สงบระงับได้ก็ยังประเสริฐกว่าวเอากังธรรมะประดังไสยโยยังสุตตว่าอุปสสัมมติ ประสัมปติฟังแล้วสงบฟังแล้วสงบได้ือกังหัตตาประดังสิโยอย่างสุดตว่าอุปสัมปติฟังแล้วทําให้สงบได้ก็แม้จะบทเดียวหรือพูดแต่น้อยก็ยังมีประโยชน์มากกว่าคําพูดเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนพันแต่ว่าไม่มีประโยชน์หรือว่า ทาไม่ทำให้สงบมีแต่จะฟุ้งซ่านไปเดือดร้อนไปมีท่านผู้หนึ่งเป็นวิศวกรอยู่ต่างจังหวัดเสนอความเห็นว่าเท่าที่ฟังฟังการสอนศาสนาในต่างจังหวัดเน้นในทางให้เชื่อเน้นอภินิหารความคลั้งความสัก เาไม่แนะนําทางความคิดทางปัญญาทีนี้เมื่อผู้สอนศาสนาธรรมอย่างนั้นอาจจะให้ชาวพุทธเป็นอย่างไรแล้วก็สอนปลูกฝังกันมานานเป็นศตวรดแต่ท่านใหาท่านอยู่ต่างจังหวัดเป็นวิศวกรอยู่ต่างจังหวัดมาเสนอความคิดเห็น ว่าถ้าผู้สอนเป็นอย่างนั้นแ้ะจะให้ชาวพุทธทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วก็ปลุกฟังกันมาเป็นเวลานานเป็นศตวรรษผู้สอนจะต้องไม่เป็นมักคุดเทศผู้หลงทางตัวเองทีนี้ถ้าหวังพึ่งผู้สอนไม่ได้ ชาวพุทธที่ดีก็ต้องข้นขวายแสวงหาความรู้ทางศาสนาด้วยตนเองโดยการพึ่งธรรมราดีๆมันแสวงหาผู้แสวงหาสิ่งใดย่อมจะได้พบสิ่งนั้นท่านลองทดสอบดูหรือทดลองดูก็ได้ผู้มันแสวงหาสิ่งใดย่อมได้พบสิ่งนั้นอันนี้คือทางออก อันหนึ่งของชาวพุทธในช่วงวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นต่อพระศาสนาต่อพระสงค์ในปัจจุบันผมขอเน้นว่าขอให้ท่านเข้าหาพระธรรมก่อนแล้วให้ยึดพระธรรมเป็นหลักเอาไว้ให้ท่านรู้สึกว่าท่านได้พระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นหลักเอาไว้แล้วท่านก็จะไม่หวั่นไหวในเรื่องของศาสนา ว่าใครจะเป็นอย่างไรท่านก็คงนับถือศาสนาได้อยู่นั่นเองเพราะว่าตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือพระธรรมแล้วก็พระธรรมนั้นก็มาจากพระสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระสัพพัญยุตยานโดยแท้จริงที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบไว้ให้สาวพุทธทั้งหลายแล้วก็เป็นพระสัพพัญญุตยานโดยแท้จริงอีกเหมือนกันที่ไม่ส่งมอบหมายให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนพระองค์อนนนี้ขอให้สังเกตให้ดีนะครับเป็นพระสัพพัญญุตยานโดยโดยแท้จริงเหมือนกันที่ พระพุทธเจ้าไม่ทรงมอบหมายให้พระสงฆ์รูปใด ร, รูปหนึ่งเป็นศัสดาทแทนพระองค์แม้ตอนนั้นจะยังมีพระอาหารหันต์ที่ไหว้วางพระไทยได้อยู่เป็นจํานวนมากแต่ทรงให้พระธรรมวินัยเป็นศัสดาทแทนพระองค์อันนี้ลองดูพระใจพิโกเล่มสิ หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดก็ข้อสิบสี่ครับก็จะเห็นว่าพระพุทธดร ร, รดันนี้ไม่เะนนั้นแล้วมาถึงสมัยนี้คงจะยุ่งเรื่องศาสดาแทนพระองค์ไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าเผื่อว่าตั้งพระสงฆ์เป็นแทนสืบแทนกันมาเป็นศาสดาแทนกันมาเรื่อยๆ พอมาถึงสมัยนี้ก็คงจะยุ่งไม่น้อยทีเดียวพระธรรมวินัยจะถูกแก้ไขยุย่งไปหมดตามตามลาตามกำลังตามความพอใจของศาสดาผู้ที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าอนนีถึงใครจะมาเป็นใหญ่ในศาสนาแต่ก็ยังเคารพพระธรรมวินยัยตามสมควร ในฐานะเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าแม่ชาวพุทธที่เป็นคาราวาสก็ต้องถือเอาพระธรรมวินยัยนั่นแหละเป็นศาสดาเป็นทางดำเนินชีวิตให้ถือเอาวินัยเป็นรูปแบบของชีวิตแต่ธรรมะเป็นสาระของชีวิตอันนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับ <c oughs> ว่าให้ถือเอาวินัยเป็นรูปแบบของชีวิตเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตแล้วก็ถือเอาธรรมะเป็นสาระของชีวิตวินัยของคารวะก็มีนะครับวินัยของคารวะาที่เรียกว่าอาคาลยาวินัยอาคาริยะวินยัาา ย, นยนั่นก็เร่งไปถึงกุศลกรรมบทสิบ กุศลกรรมบวชสิทธนี่นก็เป็นมนุษยธรรมตามทัศนะของพุทธศาสนามนุษยธรรมตามทัศนะของพุทธศาสนาก็คือกุศลกรรมบถชสิทถ้าสูงกว่าสิ่งห้าขึ้นไปแล้วก็ให้ที่เราธรรมะเป็นสาระของชีวิตลับยศเหมือนบทละครเล่น ทำนั่นแหละที่เป็นแกนสารเป็นสาระของชีวิตราบยศเหมือนบทละครเล่นแต่ทีนี้ก็ทั้งๆ ท, ที่ว่ารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้วเหมือนบทละครเล่นแต่ว่าคนก็หมุนชีวิตเข้าไปหาลาบยศสรรเสริญกันเหลือเกินไม่เว้น <c oughs> ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์เป็นจำนวนไม่น้อยพระแม่จะไม่ใค่ทั้งหมดแต่ก็เป็นจำนวนไม่น้อยที่หมุนชีวิตเข้าไปหาลาบยศก็เห็นการได้ลาบยศนั้นเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมจรร์คือว่าเป็นความสำเร็จในการบวชในการปฏิบัติรรมจันร์ ทรไว้ในทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันเหมือนเนื้อในของผลไม้กับเปลือกของผลไม้ทรไว้ในสองอย่างนี้อาศัยกันเหมือนเนื้อในของผลไม้กับเปลือกของผลไม้อาศัยเปลือก live, เนื้อในจึงอยู่ได้เจริญเติบโตขึ้นได้แต่ถ้าแต่ถ้ามีแต่เปลือกไม่มีเนื้อใน สาระของสิ่งนั้นก็ขาดหายไปฉันทุเรียนถ้าไม่มีเนื้อทุเรียนจะซื้อเปลือกไปทำอะไรราคาและค่าของมันควรจะเป็นสักเท่าใจรถ้าไม่เอาไปตากแห้งเป็นเชื้อเพลิงก็คงไม่มีราคาแล้วก็ไม่มีค่าอะไรเลยเอ็นเขาทิ้งเปลือกกันเป็นเข่งๆแต่เมื่อมีเนื้อ เมื่อเนื้อในอยู่ด้วยราคาของทุเรียนก็แพงหลายร้อยบาทอยิ่งเนื้อดีเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงมากขึ้นอเท่านั้นในที่นี้ผมพูดว่าวินัยเม็ดเหมือนเปลือกของผลไม้นะครับออยากฟังผิดหรืออยากฟังให้ผิดว่าไอพิธีรีตองต่างๆเป็นเปลือกของศาสนาไม่ใช่หือ พิธีรีตรองต่างๆที่คนก็นชอบทํำกันมากมายหลายกองอมันเป็นของนอก <c oughs> เป็นของนอกศาสนาไม่ใช่เป็นเปลือกของศาสนาไปดูมหาสารูปรมาสูตรก็ได้เราจะพบพระพุทธดํารัสที่ว่าอะไรเป็นเปลือกของศาสนาอะไรเป็นกับพี่อะไรเป็นแก่นอะไรเป็นสกเก็ต ต <c oughs> ัวศีลเป็นเพียงสะเก็ดศีนเป็นสะเกตของต้นไม้อ่าสมาธิแห่งก็เป็นเปลือกของต้นไม้สมาธิที่เราหลงไหลกันนักหนาเนี่ยะเป็นเงเปลือกของต้ น, งนไม้แล้วก็ปัญญาก็เป็นกระพี้แก่นก็คือเวมุติอวมุตินั่นความหลุดพ้นน่นเป็นแก่นของศาสนา อในที่นี้ก็พูดเอาเสี้ยสองอย่างคือวินัยกับธรรมวินัยมันเป็นสิ่งที่ครอบังคับภายนอกเหมือนกับเปลือกนี้ธรรมะนั่นเป็นสาระของชีวิตไอ้ก็เรารักษาเปลือกคือวินัยเอาไว้เพื่อต้องการจะให้เนื้อในคือธรรมะมันจเจริญเติบโตไอ้ที่นี้ถ้าเผื่อว่า มีแต่เปลือกโดยที่เนื้อในมันไม่เจริญเติบโตเนื้อในมันกรวงจะเอาไว้ทําไมเอาเปลือกมันได้ทําไหมอย่างนี้นะครับรลองคิดลองคิดดูไว้ดีเพราะเราไปสนใจกับเรื่องเปลือกามากเยอะเกินแต่ว่าพอพิจารณาถึงเนื้อในแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมันมักจะเป็นเนื้อในที่กรวงเสียส่วนมาก ถ้ามีแต่รูปแบบมีแต่รูปแบบชีวิตคนเรานี่นะครับเราก็มีวินัยเพื่อให้เข้าถึงธรรมแล้วก็ให้ธรรมเจริญงอกงามขึ้นในกรอบของวินัยนั้นวก็ฟังดูให้ดีนะครับชีวิตของคนเรานี่มีวินัยไว้ก็เพื่อให้เราเข้าถึงธรรม เราให้ทำเจริญงอกงามขึ้นในกรอบของวินัย น, นั้นในธาตุธรรมซึ่งเป็นสาระของชีวิตไม่มีวินัยหรือกรอบแต่ถ้าธาตุธรรมที่เป็นสาระของชีวิตไม่มีจะแล้วทีนี้วินัย ห, หรือกรอบที่มีไหวก็เป็นของหลอกเป็นของหลอกเป็นกรอบหลอกมันเป็นเปลือกหลอก เหมือนทุเรียนที่มีแต่เปลือกเพียงแต่รับษารูปแฝกไว้ให้คนหลงเข้าใจผิดคิดว่าข้างในมีเนื้อธุเรียนแล้วก็ขายไปโดยที่คนก็ไม่รู้แล้วเ็าขายไปแต่เปลือกไม่มีเนื้อไม่สงสารเขาหรือยังไงถ้าคนได้ตัมศาสนา ก็ควรจะมีเมตตาการุณาเป็นพื้นฐานของจิตใจของการกระทำของแอคทิฟิตี้ต่างๆแต่ถ้ามีแต่รูปแบบให้คนหลงไหลในรูปแบบแล้วไม่มีสาระ้วไม่สงสารเขาหรือว่าเขาไม่ได้อะไรไปไปชักชวนเขามาให้เข้าพวกเข้ามูให้เข้าคณะ ให้มาบำรุงบำรเรอให้ร่ำรวยให้มียศศักดิ์ให้มีอะไรต่างๆมากมายล้วเขาไม่ได้อะไรไปทำไมสงสารเขาหรือวินัยของสองมีไว้เพื่อให้ท่านเข้าถึงธรรมให้ธรรมเจริญขึ้นแต่วินัยของคฤหัสถ์ที่เรียกว่าอาคาลียะวินัยก็เช่นเดียวกันท่านสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้น ฉันวัาสินห้ากุศลกรรมบทสิบเป็นอาคาริยะวินัยกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่สังคมจัดทำขึ้นเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมก็จัดเข้าในอาคาริยะวินัยเหมือนกันเจวาพุทธเราสังคมไทยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องไม่มีระเบียบปินใน เพราะว่าเราไม่รู้จุดมุ่งหมายของวินยัยจึงไม่ค่อยสร้างวินัยในตนเองว่าเชนดิสตรีนเชนดิสตีนไม่ค่อยมีไม่สร้างวินัยในตนเองให้เกิดขึ้นคอยเราแวดเราวังแต่สภาพบังคับภายนอกอเมื่อถูกบังคับก็งุดงิดจำการจเจริญด้วยโทสะมาเป็นเช่นนี้ทำจ ะ, จะเจริญขึ้นในใจได้อย่างไร ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เวลาหมาะสมอกแล้วครับวันเสาร์อาทิตย์หยุดครับหยุดไปเข้าวันไปเจอกันวันจันทร์นะครับในรายการทำและทัศนะชีวิตวันนี้ก็ขอยุดเิีด้วเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญเพิงมีแด่ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในการทำและทัศนชีวิตนะครับโดยผมวศิณีทศัศน์ศัพบกับท่านผู้ฟังทุวกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สาสบสิงหาคม 2,542 นห้ารอยสี่สิบสองนะครับเรื่องที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในชยะนี้หลายครั้งมาแล้วนะครับคือเรื่องศรัทธากับปัญญาศรัทธากับปัญญานะครับเมื่อ <c oughs> วันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา <c oughs> ได้พูดกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องวินัยของคฤรืหัดตอนท้ายได้พูดถึงเรื่องวินัยของคารืหัด <c oughs> ที่เรียกว่าอาคาริยวินัยเช่นเ <c oughs> ช่นสินห้ากุศลกรรมบด ส, สิบว่าพวกเราชาวพุทธ <c oughs> ด้เรื่องเพื่อต่อวินัยเหล่านี้ อย่างไรเพียงใดสังคมไทยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องไม่มีระเบียบวินัยเพราะว่าเราไม่รู้ถึงจุดภู่งหมายของวินัยไม่ค่อยสร้างวินัยในตนเองให้เกิดขึ้นก็คอยเราแวดเราวัง แต่สภาพบังคับภายนอกที่นี่ตอนนี้เมื่อถูกบังคับก็องอดหิรดทำการจะเจริญด้วยโทสะหรือมีโทสะมากเพราะว่าไม่ได้ทำด้วยความสมัครใจไม่ได้มีวินัยในตัวเองที่นี่เมื่อเป็นอย่างนี้การทำจะเจริญขึ้นในใจได้อย่างไร ผมก็ขอพูดต่อไปจากคราวที่แล้วนะครับว่าพวกที่รักษาศีลก็ติดยึดมั่นในศีลบางพวกที่ประพฤติวัดต่างๆก็ติดในวัดวัตระนะครับวัดข้อปฏิบัติคือยึดมั่นในวัด จนกลายเป็นสีลพัจประมานคือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสีเร็ววัดอย่างไม่ถูกต้องที่นี่พวกที่ทำสมาธิก็ติดในสมาธิคือเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นยอดปรารถนาในชีวิตจนไกล เป็นกับดักโดยไม่รู้ตัวคือสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกับดักถ้าเผื่อรู้ไม่เท่าทันมันก็จะเป็นกับดักโดยไม่รู้ตัว <c oughs> อย่างที่พวกนักบวชพวกฤาษีชีพไพรดาบททั้งหลายที่ก่อนพระพุทธเจ้า และแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าก็เคยติดกับอันนี้มาแล้ว้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ติดท่านก็นหลุดออกไปได้ <c oughs> อันที่จริงสิ่งเหล่านี้คือศรัทธาก็ดีนะครับศีลก็ดีหรือวัดต่างๆก็ดีสมาธิก็ดี มุ่งหม้ก็ไม่ใช่เพื่อตัวมันเองไม่ใช่ตัวของเพื่อตัวของสิ่งนั้นเองแต่เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ปัญญาเพื่อให้รู้เห็นตามเป็นจริงเปรียบให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเปรียบเหมือนเราสร้างเราต้องการจะสร้างเรือน ว่าทำด้วยไม้เป็นเรือนที่ทำด้วยไม้เราต้องการจะสร้างเรือนที่ทำด้วยไม้จุด ม, มุ่งหมายคือการสร้างเรือนที่ทำด้วยไม้แล้วเราไปตัดต้นไม้ในการตัดต้นไม้นี่เราจะต้องจ้องอยู่ที่ต้นไม้ขนาดตัดแล้วก็ยืนบนพื้นดินที่หนานแน่น ไม่ร่วนไม่ซุยเพราะที่ดินตรงนั้นต้องไม่ร่วนไม่ซุย <c oughs> แล้วก็มีขวานหรือเลื่อยที่คมแลวมีกำลังแขนที่แข็งแกร่งพอที่จะตัดต้นไม้ได้ <c oughs> เทียบให้ดูอย่างนี้นะครับศรัทธาเปรียบเหมือน เราจ้องมองดูเอาตาจ้องมองดูต้นไม้สีลเปรียบเหมือนพื้นที่หนานแน่นปัญญาเหมือนเครื่องตัดที่คมเราสมาธิเปรียบเหมือนกำลังแขนที่แข็งแรงท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งสิ่เงินอื่นเป็นเพียงอุปกรณ์ ให้ปัญญาทำงานได้สะดวกทีนี้เมื่อต้นไม้ล้มลงแล้วถ้าไม่เอาไปทำประโยชน์อะไรการตัดต้นไม้นั้นก็สุดเปล่าปัญญาก็เป็นเครื่องมือไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงกว่าคือความหลุดพ้น ศรัทธาศีลสมาธิปัญญาและข้อวัตปฏิบัติต่างๆเราต้องการให้มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นทั้งนั้นเพราะว่าธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสรสคือความหลุดพ้น <c oughs> เหมือนแม่น้ำสายต่างๆ เมื่อไหลลงสู่มาหาสมุทรแล้วก็มีรถเดียวคือรถเข้มออนี่เป็นความมัศจรรันย์อย่างหนึ่งของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าจัดถึงพระความมัศจรรันย์ของพระธรรมวินัยแปดประการในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าน้าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดและก็ข้อหนึ่งร้อยสิบแป อีกข้อหนึ่งนะครับอีอกข้อหนึ่งมาหมาสมุดย่อมไม่อยู่ร่วมกับซากศพอย่อมจะซักซากศพขึ้นฝั่งจนได้ฉันใดทำวินัยนี้ก็ฉันนั้นผู้ใดทุศีลมีธรรมสามมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีกรรมที่จะต้องปกปิดไม่ใช่สมณนะ ไม่ใช่พรหมจารีคือผู้ประพฤติพรหมจรัรทร์แต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะเป็นพรหมจารีเป็นผู้เน่าในที่ท่่นเรียกว่าอันโตปูติเป็นผู้เน่าในชุ่มอยู่ด้วยราคะมักหมมสางได้จา้าเหมือนกองหยักเยื่อ สงที่ดีก็ย่อมจะไม่จูด ร, ร่วมกับภิกษุนั้นย่อมจะประชุมกันไล่สงย้ายภิกษุเช่นนั้นออกไปเสียโดยเร็วแม่ภิกษุนั้นจะนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากสงและสงก็อยู่ห่างไกลจากภิกษุเช่นนั้น นี่ก็เป็นความอาศัศจรรย์อีกประการหนึ่งแห่งพระธรรมวินัยนี้ทีริสุทั้งหลายเห็นแล้วเกิดความรื่นชมชื่นชมยินดีในธรรมวินัยนี้อีกประการ น, นั้นจะไม่พูดถึงนะครับประการให้พูดนำมาพูด เ, เพียงสองประการพอเป็นตัวอยา่าง พระมหาเศจันแน่งพระธรรมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะดำรงอยู่จะดำรงอยู่ได้เพียงใดก็อยู่ที่พุทธบริษัทนั่นเองเมื่อจวนจะปรินิพพานคุณเจ้าท่านได้ตรัสกับสุพัทธะปจิมสาวกว่าถ้าภิกษุและพุทธบริษัทเป็นอยู่โดยชอบ โลกก็จะไม่ว่างจากพระรอรหันต์อิเมจะสุพัทธภิกขุสัมมาวิหรโยสุญโยโลโกโอราหันเตอิสสศะอันนี้เป็นมาหาปารินิพานาสูตรหันเล่มสิกนะครับในสำหรับภิกษุผู้ทุศีลมีบา ป, รปรธรรมจะถูกกรรมจัดออกไปจากพระธรรมวินยัย ให้คงอยู่แต่ภิกษุผู้มีศีลมีกัลรรยาณธรรมที่นี้จะมีได้มากน้อยเพียงใดก็สุดแล้วแต่ส่งผู้บริหารการพระศาสนาจะคิดอย่างไรจะทาอย่างไรแล้วก็ตัวภิกษุนั้นนั่นเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อพระศาสนาและต่อการเคารพกราบไหว้ ของปวนปวงพุทธศาสนิกชนได้เพียงใดผมเชื่อว่าทุกคนรักศาสนาของตนซึ่งตนก็รบนับถือแต่วิธีแสดงออกซึ่งความรักอาจจะไม่เหมือนกันบางคนไม่ทำให้เกิดโทษ แต่บางคนรับแล้วทำให้เกิดโทษกลายเป็นประตุสลายโดยไม่รู้ตัวเพราะขาดปัญญาดังที่พระบรมศาสดาของเราได้ตรัสไว้ว่าผู้ที่กล่าวตูพระองค์ประตุสลายพระองค์มีอยู่สองพวกคือหนึ่งผู้โกรธ มีโทสะอยู่ภายในเรียกว่าทุตโโทสันตโรทุตโธทสันตโรเป็นผู้โกรธคิดจะฉุดฉลายมีโทสะอยู่ภายใน <c oughs> แล้วก็กล่าวตู่พระคุมิพระภากู้ ท, ที่สองเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาศรัทธาอย่างยิ่งแต่ถือเอาผิด สัตโทลูกกริตเอนะสัตโทลูกกริตเอนะอันนี้ลองดูพระเจ้าปีโดเรมยี่สิบน่าจะสิบหกข้อสองร้อยหกสิบแปดผู้กล่าวตูพระองค์พระทุศร้ายพระองค์มีสรัทธานั่นแหละ มีศรัทธานั้นแหละแต่ศรัทธาศรัทธายัางยิ่งเสียด้วยแต่ว่าถือเอาคิดพวกแรกกล่าวตูกล่าวคัดการเพราะไม่ชอบไม่เลื่อมใสเป็นศัตรูที่เปิดเผย <c oughs> <c oughs> เป็นศัตรูที่เปิดเผยมีทางป้องกันได้มาก แต่พวกที่สองศรัทธาเลื่อมใสและเลื่อมใสยอย่างยิ่งด้วยแต่ที่เนื่องจากเนื่องจากฟังมาผิดเรียนมาผิดเข้าใจผิดหรือว่าแกล้งเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ทางอื่นจึงบิดเบือนคำสอนทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัว ถ้าเป็นการทำลายอย่างเล่นลับเป็นเหมือนปลวกทางศาสนาทำลายอย่างผู้หวังดีแต่งโงเ่เข่ารู้เท่าไม่ถึงการพวกที่รักเรื่มใสหวังดีแต่งโง่เขานี้ได้ทำลายผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือมามากต่อมากแล้ว ผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจขอให้เราฟังคนโง่ที่หวังดีด้วยเขาทำไปได้วยความหวังดีนัะครับทำไปได้วยความหวังดีแต่เนื่องจากเขาโง่จึงไม่รู้ว่าดีอยู่ตรงไหนแต่พุทธบริษัทที่เลื่อมใสพระสงฆ์มากมากก็ขอให้เราวังเรื่องนี้ด้วย จะไปประทุษร้ายท่านโดยไม่รู้ตัวแต่ชาวโลกอ่าได้พินาศวดวายเพราะถือผิดมามากต่อมากแล้วชาวโลกได้พินาศวดวยเพราะถือผิดมามากต่อมากแล้วนัทธาบาหูดุขยเตนะโลกาฮะนี่เป็นจากข้อความจากกัตถีพิโตเครมยี่สิบแปด ข้อเก้าร้อยแดสิบเก้าชาวโลกได้พินาศวดวายเพราะถือผิดมามากต่อมากแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็ในช่วงวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนาเช่นนี้พุทธวิสัช์ที่เป็นข้อหัสจึงควรต้อง หันมาสนใจหันมาพิจารณาทบทวนพฤติกรรมต่างๆที่พวกเราเคยกระทํากันมาในอนดีตต่อพุทธศาสนาที่เราเคยเขารบเรื่มใสอย่างไรอะไรคือส่วนผิดพลาดบกพร่องซึ่งจะต้องแก้ไขอะไรคือส่วนดีซึ่งจะต้องรักษาไว้ อะไรคือส่วนที่จะต้องพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราต้องสารวจตัวเองเราต้องสนักว่าต้องนับถือศาสนาด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียวเพราะว่าปัญญานี่เป็นหัวใจของบัณฑิตหรือผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลาย ปัญญาเวหะต่อย่างปัญตาหนังแปล ว, ว่าปัญญานั่นแหละเป็นดวงใจของบัณฑิตทั้งหลายปัญญานั่นแหละเป็นดวงใจของบัณฑิตทั้งหลาย <c oughs> อันนี้ก็คุยกันเรื่องปัญญาเรื่องปัญญากับศรัทธาว่าต้องเน้นที่ปัญญาเราได้ เรื่องสัธาหรือว่าเน้นเรื่องศรัทธาเราได้เน้นเรื่องศรัทธากันมานานแล้วสอนเรื่องศรัทธาปลุกฟังเรื่องศรัทธากันมานานแล้วจนคนได้มีศรัทธามากแต่ว่ามีปัญญาน้อยแล้วก็เรื่องมันเกิดขึ้นมากมายเพราะศรัทธานท้นแล้วศรัทธาบดเป็นศรัทธาบอด <c oughs> ไม่ใช่ศรัทธาอย่างมีจักสุถ้ามีจักสุศรัทธายัางมีจักสุก็ต้องมีปัญญาถ้ามาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดถือควบคุมด้วยปัญญาก า, ารปฏิบัติธรรมนี่นะครับสําคัญอยู่ที่ความถูกทางาแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ถ้าหนักแน่นและถูกทางก็ย่อมจะดีกว่าไปเร็วแต่ผิดทาง เป็นเรือหรือรถที่วิ่งผิดทางแม้จะไปเร็วแต่ก็จะไม่ถึงจุดหมายเหนื่อยแรงเปล่าเ้าขอให้พวกเราช่วยกันเราหวังในเรื่องนี้ถือว่าสําคัญอยู่ที่ถูกทางอถ้าถูกทางแล้วแม้จะไปช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรมันจะหนักแน่นแล้วก็ถูกทางจะดีกว่า ดีกว่าต้องการจะไปเร็วแต่ว่าไปผิด <c oughs> แต่ถ้าไปผิดทางก็จะแก้ลาบากยิ่งคนดื้อด้วยก็ยิ่งแก้ลาบากใหญ่ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับหลังไม่ยอมกลับลํา <c oughs> ทีนี้รู้ได้อย่างไรวา่าผิดทางหรือถูกทางก็รู้ที่ผลเลยครับ โดยที่คนด้ว่ากล้จุดมุ่งหมายเข้าไปทุกทีทุกวันทุกเดือนทุกปีเรามีความทุกน้อยลงมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีความวุ่นวายน้อยลง <c oughs> คุณภาพจิตใจดีขึ้นอะไรตัวอะไรมันดีขึ้นหมดอ่ะแล้วบนเส้นทางเขาก็มีป้ายบอกไว้ ก็มีป้ายบอกบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมเขาก็มีป้ายบอกไว้จะดูถูกป้ายนะครับอย่าดูถูกป้ายยกเว้นแต่ว่าเราชํานาญและคุ้นเคยกับทางนั้นจริงๆ เ, เหมือนขึ้นทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนขับรถขึ้นทางด่วนนะเขาจะมีป้ายบอกไว้เป็นระยะระยะว่าจะไปไหนเข้าเลนไหนจะไปลงที่ไหน ถ้าไม่คุณเคยก็ต้องหยุดถามผู้รู้บ้างไม่เสียเวลาเท่าไหร่แล้วครับเสียเวลาน้อยกว่าน้อยกว่าที่จะโลดแล่นไปในทางผิดซึ่งว่าซึ่งดูมันจะเดินทางได้มากแต่ว่ายิ่งไปมันก็ยิ่งไกลจุดมุ่งหมายออกไปทุกทีสูเรายอมเสียเวลาเล็กน้อย ถามหยุดถามผู้รู้ผู้ที่รู้ทางคุ้นเคยกับทางอยแล้วเราเข้าไปได้ถูกทางมันก็ไม่เสียเวลาการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้ครับอย่ารีบนักอย่าโลดแล่นอย่าโลดแล่นให้ไปได้เร็วไปได้ไกลโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกโชคร้ายเกิดผิดทางขึ้นมาแล้วก็ ยุ่งใหญ่กลับลำบากท่านผู้ฟังที่เคารพกับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับไปพรุ่งนี้ผมจะคุยเรื่องทํานองนี้กับท่านผู้ฟังอีกเท่าที่จะคุยกันไปได้สาหรับวันนี้ก็ขอยดติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ ขอความสุขสวัสดีเพีงมีแต่ท่านผู้กระทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ<ม>สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินยุทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวัน องคารที่3 1สิงหาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องศรัทธากับปัญญาแล้วก็เน้นเรื่องศรัทธาเน้นเรื่องปัญญาเป็นสำคัญคือว่าเราสอนเรื่องศรัทธากันมานานแล้ว ไม่ได้เน้นเรื่องปัญญาก็ทำให้คนมีศรัทธาในศาสนาอย่างไม่ค่อยมีปัญญามีอะไรเกิดขึ้นมากมายในสังคมของเราเพราะว่าเชื่อเชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาถ้าได้ใช้ปัญญาสักหน่อยมันก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นยอะครับ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาะเป็นชีวิตที่ดีที่สุด <c oughs> นี่ก็เวลานี้ก็มีปัญหาทางศาสนาเกิดขึ้นหลายเรื่องแม้ถ้าตั้งมีปัญหาขึ้นมาว่าเจ้าพุทธ เราควรมีท่าทีอย่างไรเอ <c oughs> อชาวพุทธเราควรมีท่าทีอย่างไรถ้าพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือถูกปีเตียนอ่ควรจะมีท่าทีอย่างไรถ้าจะมี